ยิ่งหา ย, ยิงดา ย, ยิงหมดหมดไม่มาเราไม่หวงเราไม่อดหมดมาเรื่อยๆชัดเจนเกิดมาเกิดผลได้อั น, นิสงส์ความมุ่งหมาปัฒนาทุกประการ